นิทานเรื่องที่11พระเจ้าตรีวิกรมเสนเสด็จกลับมายังต้นอโศกแล้วคว้าเอาตัวเวตาลขึ้นพาด่าเสด็จกลับมาทางเดิมอีกครั้งระหว่างนั้นเวตาลก็กล่าวขึ้นว่าโอราชาข้ามีนิทานสนุกๆเรื่องนึงจะเล่าให้ท่านฟังท่านจงฟังเถอในอดีตการ มีกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองอุชยินีนามว่าพระเจ้าธรรมทวัตรพระองค์ทรงมีพระมเหสีเคียงคู่สามพระองค์อันได้แก่พระนางอินทุเลขาพระนางดาราวลีและพระนางมฤคคางกวดีในช่วงวสันตฤดูพระองค์ได้นําพระมเหสีทั้งสออกประพาสอุทยานสร้างความเพลิดเพลินสําราญใจให้แก่ทั้งสี่คนเป็นอย่างยิ่งขณะที่ทุกคนกําลังนั่งเล่นเพลิดเพลินอยู่นั้น ดอกกลัวสายสีน้ำเงินที่ทัดหูพระนางอินทุเรขาได้ตกลงมาบนตักของนางตายแล้วนางตกใจจนเป็นลมไปและทันใดนั้นก็เกิดเป็นแผลขึ้นที่ขาของนางนางกำนานเข้ามาช่วยกันพยาบาลนางและอุ้มเข้าตำหนักเพื่อให้หมอหลวงดูแลอาการอย่างใกล้ชิดในคืนนั้นหลังจากที่พระเจ้าธรรมธวัฒได้เสด็จกลับจากดูอาการพระนางอินทุเลขาแล้ว ก็ได้ออกประทับหน้าห้องบรรทมชั้นดาดฟ้าที่มีแสงจันทร์สาดส่องลงมาพร้อมด้วยพระนางดาราวลีพระมเหสีคนที่สองท่นใด น, นั้นได้เกิดลมพัดทำให้ผ้าคลุมกายของนางเลื่อนออกนางกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดพร้อมกับลุกขึ้นจากเตียงปัดแขนขาพลาวัลตายแล้ ว, ลวอนดนจัเลยช่วยด้วยข้าถูกไฟผ ถานางดาราวลีเธอมีแผลผุพองเกิดขึ้นทั่วร่างกายพระราชาสะดุ้งตื่นขึ้นพบกับนางดาราวลีมีแผลทั่วร่างกายจึงซักถามขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นนางก็ได้ตอบว่าแสงจันทร์ที่ส่องลงมาเพคะทําให้หม่อมฉันปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวเลยเพคะพระราชาจึงเรียกข้ารับใช้นํานางไปประถมพยาบาลเป็นการดูดโดยใช้น้ํามันจันท์หอมทาแผล แล้วร้องที่นอนด้วยใบบัวให้นางได้นอนทับอาการจึงทุเราเบาบางลงระหว่างนั้นนางมฤคางก ว, วดีชายาองค์ที่3ได้ยินเสียง อ, อึ ก, กทึกจึงออกมาดูเหตุการณ์และเมื่อเดินออกมาสู่ที่โล่งแจ้งนางก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังมาจากที่ไกลๆเป็นเสียงของครกตำข้าวดังแว่วมาแล้วนางก็กรีดร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีดว่า น, น, น, นางก็ซุดตัวลงกับพื้นมือไม้สัน่นข้ารับใช้ต้องรีบเข้ามาช่วยนางกลับไปยังตำแหนักเมื่อกลับมาถึงห้องนางกำนันก็ช่วยกันตรวจอาการของนางพบรอยฟอกช้ำขึ้นที่มือทั้งสองข้างของนางย่างไม่ทราบสาเหตุพระเจ้าธรรมธวัฒน์ได้เสด็จมาดูอาการและทรงให้ข้ารับใช้บีบนวดมือของพระนางด้วยสีพึ่งและโอสถต่างๆจนอาการดีขึ้นพระราชารู้สึกปรหลาดยิ่งนัก เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระชายาทั้งสามนิทานข้าจบแล้วแต่ข้ามีคำถามสงสัยอยากจะถามท่านอยู่ข้อนึ่งข้าอยากทราบว่าพระชายาองค์ใดที่บอบบางที่สุดหากพระองค์รู้แล้วไม่ทรงตอบละก็รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นโถ่เอ้ยจเจวตาญเจ้าเลสสรรหานิทานและคำถามที่แสนง่ายมาถามข้าจะบอกว่าไม่รู้ก็เกรงคำสาปช่วยไม่ได้นะ เรื่องนี้ง่ายนิดเดียวเมื่อเหสีที่บอบบางมากที่สุดคือพระนางมาลึกคางกาวดีมเมื่อเฮสีคนที่สามเพราะเพียงแค่ได้ยินเสียงครกตำข้าวดังมาแต่ไกลไม่มีอะไรมาแตะต้องร่างกายนางก็บาดเจ็บซะแล้วส่วนอีกสองนางนั้นน่ะได้รับบาดเจ็บเพราะถูกดอกบัวแล้วก็แสกจานมากระทบที่ผ จึงยังบอบบางไม่เท่าขบวีเหสีคนที่สามเมื่อพระราชากล่าวบเหวตาลก็หัวเราะเย้ยหยังแล้วล้าจากพระอังษาของพระราชาหายไปในความมืดทั้งคพระเจ้าถรือกงเสนยังต้องเสด็จกลับไปยังต้นอโศกอีกครั้งแม้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่บอบบางที่สุด จิตใจที่เข้มแข็งนั้นน่านับถือยิ่งกว่านิทานเวตาลยังไม่จบนะครับปติดตามต่อในตอนหน้าสวัสดีครับชูแวด